พระธรรมเทศนาแผ่นที่87ดลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ส2องกุมภาพันธ์2559นมีชื่อเรื่องว่าอยู่ด้วยกันต้องฟังกันเคารพกัน ลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันที่สิบสองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2559การดูด้วยกันโลกทั้งโลกถ้าหากว่ามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันโลกทั้งโลกก็สงบร่มเย็นเป็นสุขรู้จักแบ่งปัน รู้จักผู้ด้อยกว่ารู้จักผู้เหนือกว่าผู้เหนือกว่าก็มีเมตตาผู้ด้อยกว่าก็ยอมรับยอมรับความเมตตาจากผู้ที่เหนือกว่าถ้าต่างคนต่างวางตัวให้ถูกต้องการอยู่ด้วยกันถึงจะมากขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าหากว่าอยู่ด้วยความ โลกโหโมกณะนะมีแต่ผู้ที่เป็นใหญ่ก็โลกใช้อำนาจบาดใหญ่ไม่ยอมฟังใครผู้น้อยที่อยู่ใต้อำนาจกะตั้งที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนกับพยองพองตัวไม่ยอมฟังใครการอยู่ด้วยกันอย่าหวังเลย ในคนในประเทศในโลกโล ก, โลกในยุคนั้นประเทศนั้นชุมชนในกลุ่มนั้นจะหาความสงบพร่อมเย็นเป็นชกไม่ได้อันนี้คือไม่มีความพร้อมเพียงสมัครขี่กันในหมู่ในคณะเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระในวัดของเราก็เหมือนกัน ให้มีผู้น้อยให้มีผู้ใหญ่คำว่าผู้ใหญ่คำนี้ก็คือผู้เดเข้ามาอยู่ก่อนได้รับการศึกษาจากหลวงพ่อหลวงพ่อเองจะบอกกล่าวอันไหนจุดประสงค์ของหลวงพ่อที่หลวงพ่อแนะนำสั่งสอนก็ออบอกพระพระรุ่นเก่าเร่รับรู้รับทราบจากนั้นก็ออบอกพระรุ่นน้อง ควรปฏิบัติตนอย่างไรพอได้รับคำบอกกล่าวจากหลวงพ่อไปแล้วที่หลวงพ่อเป็นหัวหน้าได้รับมาแล้วได้ฟังมาแล้วได้เข้าใจแล้วก็บอกให้รู่น้องถ้าหาวานรูกน้องบอกแล้วไม่ฟังบอกรู่น้องแล้วรูร่น้องไม่ฟังอันนั้นให้ อย่าไปชกอย่าไปต่อยอย่าไปตีกันให้มาบอกหลวงพ่ออพอหลวงพ่อเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของสำนักอหลวงพ่อจะบอกเองถ้าหลวงพ่อบอกแล้วแรงนะกระเทือนนะถ้าหลวงพ่อได้บอกลแล้วหนีหรือจะอยู่จะอยู่หรือจะหนีะอหลวงพ่อจะต้องบอกอย่างงั้นทีเดียวเลยเพราะลุนพี่บอกแล้วนะไม่ฟัง ทำให้ฟังแล้วก็อนะั่นมาถึงขั้นหลวงพ่อหลวงพ่อจะต้องบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พระเนนทุกองนะที่เข้ามาศึกษาจากหลวงพ่อจะต้องฟังกันขนาดหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ขนาดนี้แหละยังไม่ฟังคํากันล่ะแต่เมื่อหลวงพ่อตายไปแล้วจะทํำยังไงอมันจะไม่กัดหัวกันกินเหรอเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะผู้น้อยต้องเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ใหญ่ต้องเคารพกันนะ อย่างไปบินเท่าบาทหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังพระรุ่นใหม่พระรุ่นเก่าเนี่ยก็เคยได้ยินออบอกว่าหลวงพ่อเคยเห็นไปเห็นบางสำนักแต่วัดหลวงพ่อเคยเห็นภูมิเมตตามากเน่ยพ อ, อเห็นไก่ก็เอาข้าวจากบาทโยนให้ไก่กินโยนให้หมากินหมาไก่ตามเป็นพวน หลวงพ่อบอกว่าอย่าทานะอันนี้ไม่ใช่แนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์เรานะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าทำศรัทธาไทยให้เสื่อมคือเขาเอามาถวายพระพระอย่างไม่ได้ฉันแล้วโยนให้คนอื่นเขาให้ไปก่อนปรับอบัตทุกกฎเป็นโทษปรับอบัตทุกกฎให้ไปดูในพระวินยัย มันมีในมันมีหลายมีมากอันนี้พินัยอันนี้เป็นพินัยพิมาจากอภิสมาจารไม่ใช่ว่าเขาใส่บาตให้ตัวเองนั้วนะมีนมมักะโยนให้เด็กบ้างโยนให้ใครบ้างอันนั้นเขามาให้เราเรายัางไม่ได้ฉันถ้าเราฉันแล้วเราเลือกเอาแล้วพอแล้วเราออกไปอันนั้นเป็นลีกส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ของเรา ที่จะต้องแบ่งแยกให้เขาแต่ถ้าว่าเขาเรายังไม่ได้ฉันในพระวิญนัท่านบอกว่าถ้าหากว่ามีคนเอาของมาถวาย เ, เรายังไม่ได้ฉันและไม่ได้ใช้เร า, เาให้คนอื่นปรับอบัรทุกกดจะให้ได้แต่พ่อแม่ผู้มีพระคุณหรือพราชาหรือโจรผู้ร้าย โจรผู้ร้ายมาเอาให้เขาก็ได้เพราะอะไรเพราะกลัวเขาจะมาฆ่ามาตีมารังแกเบียดเบียนเราเราก็ต้องให้เขาก่อนเพื่อไทยถอนตัวเองออกจากเพื่อกันความโมโหของโจรผู้ร้ายที่เขาจะมาทำร้ายทำลายเราแต่ให้กับพระราชาได้เพราะท่านเป็นใหญ่ให้กับพ่อกับแม่ได้ ให้กับสมณชีพามด้วยกันได้ไม่เป็นไรเป็นนักพรตนักปวดแต่นอกนั้นห้ามถ้าคืนให้ไปปรับอวบทุกกฎพวกเราพวกท่านทั้งหลายได้ดูไหมวินัยข้อนี้อันนี้เราบอกแล้วบอกให้พวกพระมาหลายรุ่นแล้วตังล้งตาท่านเคยให้ไหมที่บ้านตาท่านเคยให้เราเคยเห็นแต่ท่านให้องค์เดียวนะเท่าองค์ไหนไปให้ท่านท่านนะ อย่านะอย่าทํานะแล้๋ยวไล่หนีจากวัดนะจะให้เราได้เห็นนะเห็นเราทํายังไงทําตามได้หรอเราทําเรามีเทคนิคของเราเรามีเรื่องของเราเราต้องจับดูข้าวในบาตของเราอันนี้มันแข็งเอพอมันแข็งเราคิดว่าเรากินไม่ได้ข้าวมันแข็งเราคำคำในบาตรของเราเราจึงแบ่งให้พวกโยนให้ไก่เนี่บอกว่าเราข้าวมันแข็ง ชะ่อนพวกท่านจะจับซุมสีซุมาทำอย่างนั้นได้ยังไงอย่าทำนะอย่าให้เห็นนะถ้าเห็นเราไล่ออกจากวัดนะได้เข้าใจไหมนี่ลงตาที่ท่านเคยบอกอันนี้เราเคยได้ศึกษาได้ยินมาเพราะนั้นเราจึงมาสอนลูกน้องบริวารของเราอย่าทำนะถ้าบอกกันและต้องฟังถ้าองค์ไหนไม่ฟัง ไม่ต้องใช้หมัดใช้มวยหรอกมาบอกหลวงพอ่อมันดื้อด้านขนาดนั้นเชียวหรือเข้ามาอะไรเข้ามาศึกษาใช่ไหมหรือเข้ามาดื้อด้านถ้าไม่ยอมฟังใครจะอยู่ทำไมอยู่วัดนิ้เราก็ไม่ต้องการเหมือนกันนะจะเป็นระดับไหนก็เถอะเราไม่ต้องการพระที่ดื้อด้านพระไม่อยู่ในกฎระเบียบ์วิไนให้พวกท่านทั้งหลายฟังเอาไว้นะพระเนนทุกองพระทุกอง น, นะ ตลอดถึงจัดสัตย์ด้ญาติโยงก็เหมือนกันนั่นแหละเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาวัดนี้ต้องการอะไรต้องมาศึกษาต้องมาเพื่อฟังธรรมะเพื่อศึกษาในภาคปฏิบัติมาสร้างบุญสร้างกุศลสั่งสมบูรณ์กุศลเพื่อเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยต่อไปภายภาคหน้าฮแล้วเข้ามาตั้งใจอย่างนั้นแต่หลวงพ่อเองก็หลวงพ่อเขาไปในมุ่งหวังอะไรอีกต่างหากยศถาบรรดาศักดิ์ อยากจะให้คู่คนมาเลื่อมนับถือเรื่อมใสมากมายยกยอปอปั้นหลวงพ่อก็ไม่อีกเหมือนกันหลวงพ่ออยู่อย่างพระพระสาธารณะอย่างหลวงพ่อเคยประกาศแล้วหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะเป็นพระของพี่น้องประชาชนพวกหมเหล่าเท่าพอที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมจุดไหนได้อย่างไรได้หลวงพ่อก็ช่วยเหลือชุมชนสังคม เว้นเสียแต่ตัวเองไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ไหวอย่างที่รถเนเอยมันเดินไม่ไหวมันทุพพลภาพรถนะในช่วงที่มันมีปัญหาเนะมันไม่ไหวก็ต้องบอกว่ า, วามันไม่ไหวถ้าพอไหวหลวงพ่อก็ช่วยเหลือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมในความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพระเนนทุกองเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนา ต้องเป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลอันไหนเป็นกุศลเป็นบาปอากุศลอย่าทาไม่ข้อไม่ใช่ของคิดสนุกไม่ใช่ของเล่นเล่นอย่ามาทำเล่นในพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ใช่ของเล่นเป็นของจริงจังและจริงใจอยู่ด้วยกันพระที่ขีเล่นสมัยก่อนเห็นไหมมีพระสององค์ เป็นเพื่อนสมัครีกันดีรักกันเหมือนพี่น้องอยู่ด้วยกัน เ, เทวดาอยู่บนสวรรค์เห็นอพระสององค์ทําไมสมัครีกันดีเหลือเกินลงไปแกล้งเธอใช่ เ, เทวดาเลยขี่เล่นมันงั้นได้พอไปแกล้งพระสององค์ทะเลาะ ก, กันเลยเถอะพอทะเลาะ ก, กันคล้ายๆกับไปทําให้เป็นอาบัติหนักเลยสิ องคหนึ่งจะไปลงอุโบสถไปลงอุป พ, พระปฏิโมกเหมือนกับนี่แหละทางวัดอื่นเขามาลงปฏิโมกในวัดเราอย่างเงี้ยแหละวัดอื่นพระสององค์กับอยู่จำอยู่ด้วยกันเหมือนกับพี่น้องรักกันองคหนึ่งเข้าไปถ่ายอุจจาระในป่าองคหนึ่งยืนคอยผมเข้าไปป่าพอนะผมปวดท้องอ่ะองคนี้ก็ยืนคอย พรอองค์ที่องค์ที่เข้าไปถ่ายอุจจาระไงเทวดาไปกันแกล้งแนะทนไงเทวดาอยู่บนสวรรค์ไปกันแกล้งพระองค์นั้นก็เดินออกมาจากป่าธรรมดาเนี่ยนะถ่ายอุจจระเสร็จแล้วก็ออกมาเทวดาก็เดินตามหลังทำเป็นพุเป็นปนิรเมตรตัวเองเป็นผู้หญิง เ, เป็นผู้หญิงเดินตามหลังพระองค์นั้นออกมา มีทั้งแตยายผมว่าทํา ท, ท่านนุ่ง ผ, ผ้าถุงบังอิอิยาลักษณะอย่างนั้นแหละเหมือนกับพระองค์นี้ไปทําอะไรมาไม่ดีไม่ร้ายมาลักษณะอย่างนั้นแหละพระที่องค์ยืนอยู่ข้างเอ่ยยืนอยู่คอยอยู่ในทางอ้าวท่านไปทําอะไรมาท่านทําผิดวินัยแล้วเนี่ยคาว่าวินัยคำนี่มันคือขาดจากการเป็นพระเลยแหละเป็นปาราชิกเลยชิกขาบทที่หนึ่งเลยล่ะท่านไปทําอะไรมา องคนั้นกัมัวเมียเอาผมไม่ได้ทําอะไรไม่ทําอะไรผู้เห็นไหมผู้หญิงเดินตามหลังมานะ่ะไม่ครับไม่เห็นท่านหาเรื่องตีผมเลยเนี่ยไม่ใช่ผมเห็นกับตาทแท้เนี่ยเอผลที่สุดทะเลาะ ก, กันมาตามทางเลยนะเจ้ององนี้จะไม่เดินตามหลังองค์นั้นแหลนะเจ้เพราะ ม, มันเป็นอวบหนักเนะี่ยอตบปาราชิกนะ่ะ พอเข้ามาในถ้ำกลางสงประกาศในถ้ำกลางสงเลยผมเห็นนี่พระองค์เนี่ยที่มาด้วยกันเนี่ยทํามิตรีไม่ร้ายอย่างงู้นนี้กับตาของผมเลยผมเห็นกับตาเนี่ยผมร่วมอุมโบสถสังกกรรมไม่ได้พระขาดจัดการเป็นพระแล้วเนี่ยพระสงฆ์หลายก็งงแตกเหมือนกันนะทั้งที่เขารักกันเป็นเพื่อนสนิทสนมกันอย่างมากทําไมมาโจดอวบัดหนักถึงขนาดนี้เพิ่งเห็นมาตามทางหยกหยกเนี่ย จนเทวดาอยู่บนสวรรค์ที่ตัวเองเป็นแกล้งเขานะ่งลงมาประกาศบอกว่าไม่ใช่ผมเองข้าพเจ้าเองเป็นคนแกล้งบอกพระสององค์ทําไมทศสามัคคีกันถึงขนาดนี้ข้าพเจ้าลงมาแกล้งมาเล่นมาเล่นมาแกล้งมาเล่นเฉยๆหรอกท่านบริสุทธิ์ขอให้สงฆ์ลงอุโบสถสังฆ ก, กรรมได้พระสงฆ์ก็ได้ลงอุโบสถ แต่ถึงยังไงก็เถอะพระสององค์นพระที่เห็นกับหูกับตาเลยยังไม่ไว้ใจอยู่เ อ, อตลอดชีวิตเลยว่างั้นเถอะเแปลว่าแตกกันเลยเพราะเห็นกับตาเลยเถึงเทวดาจะลงมาพูดแล้วก็เถอะความความไม่ไว้ใจในใจมันมีอยู่เนี่ยถึงขนาดนั้นะเรื่องของพระนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันนะ่ะเออจากนั้นเทวดาองค์ก็ตกนรกเลยบา อ, อลงจากสวรรค์ก็ลงเอเวจีนรก จนมาถึงในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยกันี่เคืนมาเกิดมาเกิดมาเกิดก็มาบวชเป็นพระเนี่ยในกรุงสาวัตถีพอมาเกิดเป็นพระเนี่ยพอบวชมาแล้วผู้หญิงตามหลังอยู่ตลอดเลยท่านนี่บาปกรรมตัว น, นั้นน่ะอบาปกรรมตัว น, นั้นน่ะตามหลังตลอดเลยเห็นพระไปที่ไหผู้หญิงตามพระทั้งหลายกับ เห็นเลยกัฟ้องอไปฟ้องนางวิสาขาคือเจ้าของวัดนางวิสาขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้ายังประทับอยู่ใช่ไหม ย, ยังอยู่โอ้ดิฉันไม่ใช่หน้าที่ของดิฉันพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าศาสนาเจ้าศาสนาต้องไปกราบถูดพระ อ, องค์ท่านพระสงฆ์ก็ไม่กลา้าไปบอกพระราชาพญาปเสนพญาอภิเศนเฮมเป็น ย, ปยังไงมันต้องไล่หนีนะ พระเจ้าเปรเศนส่งทหารมาดูมาก็เห็นจริงๆขึ้นไปล้อมกุฏิขึ้นไปค้นมดทั้งไตตัวงไม่เห็นมันมันเป็นบาปกรรมตามสนองนะสองสามครั้งล้อมแบบไม่ให้ไปให้ไปไหนเลยตรงนะั้นนก็ยังเห็นอยู่พอครั้งที่สามที่สีโอ้ไม่ได้แล้วท่าน น, นั้นคงจะเป็นบาปกรรมในอดีตเอาเถอะพระคุณท่าน ตอห น, นี้ไปท่านไปบินธบาติที่ไหนคงจะไม่มีใครใส่บาตรท่านหรอกผู้หญิงตามหลังอย่างนี้ขอให้มาท่านไปบิณธบัติในเวียงวังผมก็แล้วกันนะขอเนมมลคุณท่านไปบิณธบัติในเวียงนละยผมจะใส่ผมจะดูแลท่านเองเ อ, อพระสงฆ์ทางหลานโู้เสียพญาปรเสนะีมันโง่แสนโง่เนะทั้งที่มาให้จับเรื่องจับเรากลับเนมมลพระองค์นี้ไปฉันในเวียงวังอีกต่างหากนะออพอในสุดก็เลย เรื่องเลยดังไปถึงกราบทูลพระพุทธไถ่าพระพุทธจถ่าก็เรียกมาแทนะ้เรียกมาทั้งสองฝ่ายเอพอเพราะพาพระพาพาองค์นั้นนะพอได้พระยาปเสณหนุนหลังท่านหนักนะเ อ, อชูคออะไรไนะตะกอนนะยอมเขาพูดอะไรก็ย่างผมไม่มีผมไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะไม่มเีเป็นบาปกรรมของผมมีแต่คน ทวงติงมาหลายคนเอผมไม่เห็นเองมิแต่ยอมสารภาพแต่พ่อพยาประสิทิเป็นแบกหลังให้ท่านั้นแหละเอโช ว, อว์คอละไไม่กลัวใครเลยรแตเน่เอ้เอพวกท่านก็มีผู้หญิงเดินตามหลังเหมือนกันนะเอไม่ว่าแต่ผมอผมเนี่ยแหละเอพวกท่านอย่ามาพูดทั้งที่ตัวเองก็นนะพูดแบบสงเดช แต่นนี้ก็เขาไปกราบทูนพอกพุทธเจ้าเพราะมันเรื่องมันจะลุกลามอะไรสินะพระพุทธเจ้าก็เรียกมาทั้งสองฝ่ายก็ถามว่าพิกษุกทั้งหลายเห็นมาเห็นเอพระผู้หญิงตามหลังพระองค์นี่นละยพระองค์ก็ถามว่าแลเธอล่ะเห็นผู้หญิงเธอเดินตามหลังพระไหมที่ท่านพูดออกมานะไม่เห็นครับแต่ว่ามันหาพระหาเรื่องเสียผมผมก็เลยหาเรื่องต่อเอยท่านท่านอย่าหาเรื่องอีกนะ เป็นบาปกรรมของท่านในอดีตตกนรกมาแล้วอเวจีมาแล้วหนยะท่านยังจะมาทำความชั่วอีกเหรออย่าพูดนะท่านท่านเป็นผู้มีกรรมหยุดพูด เ, เขาเห็นคือเขาเห็นแต่ว่าท่านท่านไม่ได้เห็นท่านทำไมจึงว่าเห็นท่านต้องพูดตามความเป็นจริงถ้ามันท่านไม่เห็นอย่าไปพูดว่าเห็นเข้าใจไหมเดี๋ยวตกนรกอีก ทัญญโาพู์พระองค์นั้นก็ยอมรับพอยอมรับเสร็จแล้วก็ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้บำเพ็ญได้เป็นพระอรหันนะได้สําเร็จเป็นพระอรหันมันการเผานะพอได้สําเร็จแล้วก็กรรมท่านนั้นก็เลยหมดหายไปหายไปเองเลยเพราะอ้โหสีกรรมท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนี่แหละคณะเทวดากันแกล้งกัน ยังตกนรกอวจีเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะอยู่ด้วยกันนะอ ย, อยู่นสถานที่ใดก็ตามพุทธศาสนาไม่ใช่าศาสนากันแกล้งกันเคารพอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาด้วยความจงรักภักดีต่อกันผู้ใหญ่ผู้น้อยมีเมตตาต่อกันเพื่อบอําเพ็ญหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะไม่ขอมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีกเอเราไม่ใช่บวชเข้ามาสนุกสานาน หอกล้อล้อเล่นกันเอ อ, เ อ, อลงหมัดลงมวยกันนะ่ะโตวาทะกันอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้นะให้สำรวมปากให้ดีนะเออถ้าไม่สำรวมปากให้ดีเดี๋ยวแปลกปากเป็นมะเร็ง เ, เ, เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายนะให้สำรวมปากสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าพูดพูดที่ออกไปแล้วมีความแตกแยกสามัคคีในหมู่ในคณะอย่าทานะ นี่แหละนานๆหลวงพ่อจะได้เตือนพระเนนของหลวงพ่อเป็นครั้งคราวนี่แหละเจีงไหมที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังท่างอยากจะดูในพระไตรปิฎกมีในธรรมประทัตรกรต า, าไปอ่านดูนะเรื่องเนี้ยจรองที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังหลวงพ่อมีอะไรหลวงพ่ออ้างอิงถึงหลักเหตุและผลอยาให้พวกพระลูกหลานทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา สรุปแลคืออยากจะให้พระลูกหลานเป็นพระที่ดีมีอนาคตที่ดีในเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดี เ, เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นหลักเป็นกฎเกณฑ์สําหรับลูกน้องบริวารเข้ามาก็มีโอกาสที่จะศึกษาสอนบอกกล่าวอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเห็นไหมหลวงพ่ออยู่กับองค์ลงตา เ, เวลาท่านจะให้อาหารไก่ ท่านก็คำคำดูข้าวในบาดของขั้นที่มันแข็งพอมันแข็งเสร็จแล้วท่านยังทำถมนะน้ำลายต่อีกเนีอยถมน้ำลายใส่ข้าวที่มันแข็งแขงเพือให้มันจกระจายให้มันเปียกเอทํ า, ามันก็มันเหนียวใช่ไหมล่ะเอถมทําลายามันแตกท่านก็มันแตกกระจายเอา้าไปเลี้ยงลูกมั่งเนอะตัยมากท่านให้แก่แม่ลูกอ่อน ที่ไก oh ่ล e e ูกท he e oh, ja <remembrance. S 2> ั <anca> ้งเจ็ดแปดตัวสิบตัวสิบสองตัวโอ้โหลูกมันเยอะเหลือเกินเลยอแม่มันก็กุ๊กกุ๊กกุกกุ๊เออลงตาเห็นแล้วก็สงสารแม่มันใช่ไหมเออลูกมันก็เจ๊เจ๊เจ๊มันคงจะหิวน่ะท่านก็ว่าน่ะน่ะอลงตาท่านเห็นโอ้มันคงจะหิวแม่มันก็คงจะทุกข์ใจลูกมันเยอะเหลือเกินเนี่ยเออลงตาก็เอาข้าวในบาดข้าวแห้งแห้งในบาดของท่านเลย มันกระถมน้ําลายเสียอีกนะกระถมน้ำลา ย, นะลายขยี้ขยี้ขยี้ยแล้วท่านก็โยนโยนให้มันกินนะท่านเห็นไก่แม่ลูกอ่อนท่านรัตจะทําลักษณะอย่างนั้นที่เราเห็นท่านนะนี่แหละอันนี้คือคอแต่ท่านองค์อื่นทําอย่าทำนะะเออใกลเข้าว่าในคุณธรรมในจิตใจนะมันต่างกันในทําในในหัวใจของท่านนะมันทําทํา ทำในหัวใจทำมันเพียงพอแล้วเออเหมือนกับสะอาดแล้วไม่มีกิเลสตัวไหนเข้าย่าย่ายีแล้วแต่พวกท่านทั้งหลายเนะี่ยมันเต็มอายะอยู่ด้วยกิเลสระวังตกนรกนะอ่ อ, อ, อของเขานะเขาเ ข, ขาไม่ใช่ให้นะนะบูชาพระพุทธศาสนานะให้กับพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์นะเออพวกท่านจะไปทำเล่นได้เหรือกินเล่นเล่นกินหลอกหลอกกินลอ่อลอกลอ ก, ลอ ก, ลอ ก, กินหัวเลาะเออไปเรื่อยเลย มันไม่ใช่ของเรานะเป็นของทายกอุบาสกอุบาสิกาก่อนที่เขาจะถวายเห็นไหมกลาบแล้วกลาบอีกยกมือแล้วยกมืออีกอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกเอามาให้พวกเราพวกเราจะกินหลอกหอกเล่นเล่นล่อหลอเล่นเล่นกินและสนุกสนานนะไม่ได้นะกินต้องพิจารณาปฏิสังขาโยนิโสไปยังปฏิสังขาพิจารณา โดยละเอียดโยนิโสพิจรณาทบทบทวนดูให้ละเอียดนะ เ, ออเราฉันเพื่ออะไรเราฉันเพื่อประทังชีวิตเพื่อจะให้เดินทางพ้นทุก์ในวัฏสงสารศรัทธาญาติโยมที่เขามาถาวายมาก็ให้ได้มีส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าที่ได้บำเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาอยู่ข้างในขอให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนบุญหน้าออการฉันของเราระหว่าการ ใช้จะปัจใจสี่ของพวกเราคณะสัตย า, า, ญญาติโยมนั่นแหะเราต้องพิจารณาอย่างนั้นดึงได้อาหารมากกับปฏิสังขายโยนิโสบินดาปตังปฏิเสวามิอท่านได้ผ้ามากกับปฏิสังขายโยนิโสสิปังจะกระเสนาสนังอออแล้วก็เมื่อได้ยามากืคีลาณนะปัจจะยเพสัตท่านที่ได้พักพ้าใส่ขึ้นไปนอนกุฏิก่อ เออพิจารณาถึงถึงเสนาชนะโดยแยบคายเราไม่ได้นอนเศนาชนะเพื่อความเพื่อให้กิเลสพอกพูนหัวใจเข้าไปเจ้าพักพอนอนกิเลสเพื่อบำเพ็ญจะได้บำเพ็ญคุณงามความดีแล้วก็ให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารเนี่ยแหะการนอนเศนาชนะกว่าดีไปศึกษาด้วยซิในปฏิสังขายโยนิโสให้แปลให้ไปอ่านคำแปลดูนะ อที่ลุงพ่อเนี่ยคงจะแปลไม่ละเอียดนะให้พวกเราไปอ่านดูก็ได้คําแปลเขามีอยู่แล้วในนั้นนะภาษาสังขารอยปที่สังข์อัจฉริยะอปัจจะเวคิตโตยยาเน่ยการพิจารณาปัจใจสี่ห้าสี่อย่างเนี่แหละอันนี้คื อ, คอเราอยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในทำหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราอยู่ในกรอบนะพระเนรลูกหลานทุกองค น, นะ อย่าออกนอกลูกนอกทางนะหลวงพ่อไม่ใช่ไวต้ต้นศาสดาต้นศาสนานะหลวงพ่อก็เคารพในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อหลวงพ่อเป็นหัวหน้านะเน่อก็ต้องแนะนําสั่งสอนพวกลูกน้องบริวารให้ปฏิบัติตนดังนี้นะออันนี้คือหลักธรรมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะอหลวงพ่อจะแนะนำถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่เชื่อ ไม่เชื่อในหลวงพอ่อห น, นีสิจะไปอยู่ทำไม อ, อยู่ให้นักวัดนักวัดหลวงพ่อทำไมหนีจะไปอยอู่ประเทศไทยมันกว้างยิ่งกว่าอะไรไม่ใช่มีแต่นาคำน้อยแห่งเดียวถ้าจะอยู่ในโอวาทของหลวงพอ่อต้องฟังฟังในโอวาทคุณหลวงพอ่อแนะนำสั่งสอน เ, อเชื่อในหลวงพ่อก็เชื่อในพระธรรมคำสอนจึงเอามาสอนพวกท่านทั้งหลายถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่เชื่อจะอยู่ทาไม อันนี้ลหละให้พวกท่านทั้งหลายคิดน ะ, ะต่อนนี้ไปพระ ส, สงอนุโมทนาให้พรลพระพรนท่นี้นะ